50 languages. 50. 50. 10บเดเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้อ a ยอวุยดมะเมื่อวานเป็นวันเสาร์อัยเอเมื่อวานดิฉันไปดูหนัง ไปบานยานาลซีเนมาหนังน่าสนใจภาพยนตร์น่าสนใจลาปาลิคูล่าเอร่าอินเท n t e ัวันนี้เป็นวันอาทิตย์อบุยเอสดิอมนจาวันนี้ดิฉันไม่ทำงานอบุยโน่ราบาโยดิฉันอยู่บ้าน ผ m quedo a casa. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ดามาเอสดิยอนส์พรุ่งนี้ดิฉันไปทางานอีกดามา orno a trabajar ดิฉันทางานที่สานักงานเยอทำงานยู่ในหนาออฟฟินาคนนั้นคือใคร คนนั้นคือปีเตอร์อเก e ์เอสออ e ปีเตอร์ปีเตอร์เป็นนักศึกษาออล e ีเตอ s ์เอส a ั a ศ t คนนั้นคือใคร qui ésa คนนั้นคือมาธา Aquesta Aqu és la marta มาทาเป็นเลขานุการ La Marta és secretària Peter และมาท่าเป็นเพื่อนกัน El Peter i la Marta són amics, parella Peter เป็นเพื่อนของมาท่า El Peter és l'amic, el xicot de la Marta มาท่าเป็นเพื่อนของปีเตอร์